นะถ้าหากทำหนึ่งเสียประโยชน์ทั้งสองอย่างลงไปไม่ใช่วิธีพุธแต่ถ้าสมมติทำหนึ่งได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างขึ้นไปเป็นวิธีพุธ ท, ทีนี้เราจะลุกขึ้นเนี่ยอย่างนั้นเราได้ประโยชน์สองอย่างไล้ใช่หมหนึ่งคืออะไรระบายความทุกเวทนาออกไปสองได้สติสัมปชัญญะใช่ไหมทุกครั้งทีนี้สม ม, มติว่า ง, ง่วงเนี่ยมันมีปัญหา เยอะเราบ่อยเราจะได้ประโยชน์จากความง่วงอย่างน้อยสองอย่างขึ้นไปได้อย่างไรหลวงพ่อเทียนท่านสอนอย่างนี้ถ้าว่าเราง่วงขึ้นมาในบทนี้ก็ใช่แล้วง่วงก็หนึ่งสองสมสี่ห้าดด สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเราได้ไประโยชน์อะไรหนึ่งความง่วงเบาบางไปสองแล้วได้บูชาพระพุทธเจ้าคือได้กลาบสวยขึ้นใช่ไหมฮะ ลองดูนะตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าแค่นี้ดูอย่าหลับตาดู9้าแค่นี้เก้าหมายมือมือนะ สิบสิบเอ็ดยกตัวขึ้นสิบสองหลักมืเขาสิบสามพริกมือขวาสี่สิบห้าข้างหน้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถ้าความง่วงยังไม่หายอีกเทำไงแต่คนจริงหลวงตาทำไว้ด้านหลังผมมือมีแปดอย่าง แต่ทำอย่างนี้8ปดครั้งเนี่ยมันอาจจะแก้แบบ8ดอย่างแต่ว่าหนักหนุงที่ท่านทำไว้แปดอย่างนี้จำได้ยังเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสอง สิบส <20. S 1> ามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบก้ายี่สิบอ้าวทีนี้พวกเราทาดูบ้างนะอา้าวเต็มตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคนสิบเก้ามาที่นี่เนะี่ยสิบเก้าต้องมาที่นา อ, อกก่อนยนะี่สิถึงจะยืน <c oughs> แล้วได้กราบเบนเจาร์กบดิตได้สวยด้วยใช่ไหม เป็นแยบกุลดิบแบบของพ่อเทียนก็คือขอเพ่อเทียนท่านใช้ก็ว่าหนึ่งทุนนี้เนี่ยถ้าหลวงพ่อเปลี่ยนใหม่มันกำหนดยากหนึ่งหน้าฝากสองหน้ามือสามสอบเราก็เอ่ออย่าหลับตาแล้วกระดดดหัวมือลรําหน้าปากไม่ใช่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันเพื่อนแล้วเป็นฝุน่นนี่เราก็สระอับเอาฝุน่นเข้าไปเรียบร้อยแล้วสูดคนก็ไปสามสี่ห้าใช่ไหมครั้งที่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นที่สองั้นที่สามทำไงขันที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นที่สามจะทำให้ซอยไปยี่สิบก็ได้จะซอยเหลือแค่ห้าก็ได้เนี่าเ็นจางเขาบิี แต่เขาสอนในหลักสูตรส่วนสาธิการก็มีแค่เท่าไหร่แค่สามเป็นตรายางคประดิษฐ์ไม่ใช่เบญจางคปรบดิษฐ์อัญชลีวันทาอภิวาทใช่ไหมรูเรียนเท่าไปว่วะก็เลยสับสนไหนอพ่อไปสอนหาแต่ของเดิมเขา้าใช่ประกอบด้วยองค์5้าแต่ทำไมเหลืออัญชลีวันทาอภิวาท มันไม่ไม่ไมครบใช่ไหมอันนี้คือวิธีกราบเราเราอย่ามองข้ามทีนี้พอสร้างจังหวะเป็นนานนั่งเป็นนานทุกวิทนาบีบคันที่ไหนบีบคันที่หลังเท้าที่เขา่าที่ข้อที่เอวก็หนึ่งหนึ่งสองสามสห้าแล้วแล้วก็ต่อไป ถ้าหักทำนี้ตลอดนะความง่วงเข้าเราไม่ได้แต่ที่นี้หนึ่องจาเนื่องจากเราเพลินแล้วขี้เกียจขี้เกียจเปลี่ยนนิยอบทมาก็ถูกทางมนันพอดีนั่นก็เรียกนันทีิลาคะาคือขี้เกียจดนื่เพราะความเพลินนะลองดูนะเออีกครั้งหนึ่งเพื่อจาได้พร้อมกันเอานับพร้องกัน แค่นี้เก้าสิบสิบเพจหายไปอันหนึ่งทำไม เต็มตัวน้งดังๆมันหาย ให้เจอนะว่ามันไปซ่อนอยู่ที่ไหนเอาลองนั่งลงดูนั่ ง, งอย่างนี้นี่วิธีแก้ง่วงโดยส่วนรวมนะเพราะการเจริญสติเนี่ยเต็มไปได้วยศาสตร์และศิลป์ของชีวิตที่จะไม่ทุกข์ที่เจมไปด้วย ะระเบียบอย่างมีความเต็มใจระเบียบที่ได้ปัญญาแต่ระเบียบที่ยังไม่พร้อมในสังคมก็คือบังคับแล้วทำให้ผู้ตามเนี่ยฝืนใจไม่อยากทำผู้นำก็เครียดผู้ตามก็เครียดแต่ถ้าเราใช้วิธีพูดเนี่ยผู้นำก็สบายผู้ตามก็สงบ คายเครียดทั้งสองด้านการเข้าถึงตัวผ่อนคลายนั่นใช่มคํัว่า perfect relaxation หรือ super a t i o n หรือ supreme relaxation คือการเข้าถึงภาวะที่การผ่อนคลายอย่างสูงสุดก็ได้แก่การถึงการผ่อนคลายลึกงนิพพานนนเเป็นชื่อหนึ่งของนิพพาน perfect relaxation คือการผ่อนคลายอย่างสูงสุด เพราการผ่อนคลายหมายถึงการสิ้นความร้อนแต่เมื่อร้อนแล้วมันจะไปมันจะหดใช่ไหมเหมือนเคยปิ้งปิ้งชิ้นปิ้งเนื้อไหมอพอปิ้งแล้วน้ํามันไหลไหลไหลออกเนื้อชิ้นใหญ่ๆนุ่ก็จะหดหดห ด, หดเข้าแต่พอเราเอาไปแช่น้ําเนื้อก้อนนั้นก็จะคลายคลายโตออกใช่ไหมเหมือนกันเรามีไฟอยู่ในตัวเยอะ <c oughs> ไฟอยู่ หลายกองไม่รู้หลวงตาภาสวดอาทิตตประยิษสูตรบ้างหรือเปล่านะรูปังอาทิตังจักคุงอาทิตังรูปเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนรินเป็นของร้อนรถเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนอารมณ์เป็นของร้อนใจเป็นของร้อนร้อนหมดเลยแล้วไฟเหล่านี้ก็สุมอยู่ในมันก็ทําให้เหมือนกับเราเกร็งหรือเครียดแล้วก็ไม่สบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีการเคลื่อนไหวที่วรวเร็วเร็วเนี่ยมันก็เลยเกิดฮีตติ้งขึ้นมาในตัวคือเกิดร้อนขึ้นมาคนปัจจุบันเลยทุกมากเพราะอะไรเพราะคนมันเยอะขึ้นแล้วก็เอามันสมองของคนที่มีความถี่สูงเนี่ยมาบริหารมันสมองของคนที่มีความถีป่ปานกลางและต่ำคนนี้คนความถี่ทางสมองความปานกลางให้ต่ำก็เครียดเลเพราะมันไปใช้สปีดสูงเอาสปีดของรถธรรมดาเนี่ย เอาสปีดของรถเก่งรถเบนซ์มาใช้รถธรรมดามันจะพังเสีก่อนคนเลยสุขภาพไม่ดีคนเลยเจ็บป่วยไงเพราะใช้สปีดสูงอ่าหมายความว่าเอามันสมองของคนระดับพวกยุโปอเมริกามาบริหารคนเอเชียคนอเดียก็ตายลูกเดียวคนเอินเซียสมองระบบประสาทเขาเจริญตามวิถีของธรรมชาติแต่นั้นเขาเจริญในวิถีของอุตสาหกรรมแล้วมาบริหารเราในที่สุดเราก็ทุกข์กันทั่วหน้าเพราะเรา รถธรรมดาสปีดธรรมดาสองพันห้าแต่วิ่งตามรถสามพันสี่พันเราก็โอ้โหฮีทกันความร้อนเพ่มขึ้นร้อนกายร้อนใจร้อนสารพัดเลยในที่สุดโลกร้อนอยู่ไม่ได้โลกร้อนก็จะระเบิดกันทีนี้บอกว่าปีหน้านี่มันจะร้อนถึงที่สุดนะใครมีสติสัมยะเข้มแข็งคนนั้นก็จะอยู่รอดคนไหนสติสัมยะอ่อนแอคนนั้นก็จะต้องเป็นไป ดังนั้นเองเราทั้งหลายมาที่นี่จึงมาเตรียมมาเตรียมเพื่อที่จะลดความร้อนในตัวเองออกไปเพราะความร้อนนั้นเป็นสื่อที่จะรับเอาความร้อนภายนอกเข้ามาสู่ตัวเองที่ไม่รู้ว่าพุทธทํานายจริงหรือเปล่าเมื่อถึงเวลานั้นพระอาทิตย์จะขึ้นเจ็ดดวงดวงที่หนึ่งที่ไหนดวงที่หนึ่งอยู่ที่ไหนที่ตา ดวงที่สองอยู่ที่ไหนหูดวงที่สามจมูกดวงที่สี่อยู่ที่ลิ้นดวงที่ห้าอยู่ที่กายดวงที่หกอยู่ที่ใจดวงที่เจ็ดอยู่บนน่นอย่ข้างบนนุ่นพระที่ขึ้นเจ็ดดวงเพราะฉะนั้นอยู่ที่ที่เราถึงหกดวงอ่ะไอ้ลาฟังดวงเดียวมันไม่เคยที่จะทำลายอะไรได้นะแต่มันอยู่ที่เราหกดวงเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดพระทิศทั้งหดวงเนี่ย ให้มันเหลือดวงเดียวนะดวงข้างบนนั่นแหละนั่นแหละแต่ถ้าหากลดไม่ได้เขนบอกว่าไฟมาลายกันจะเกิดขึ้นโลกนี้ก็จะหลอมละลายนะใจของเราในถูกกิเลสมันเข้าไปละลายจนไม่มีใจจนเหลือแต่ใจมันเบามันลอยใจไม่หนักพอแลถูกหลอมถูกเผาดังนั้นในสมัย ปฏิบัติหลวงพ่อเทียนครั้งแรกเนี่ยมาได้วิปัสนูใหม่ๆเอามาว่าหลวงพ่อเทียนนี่แหละคือพภาษีอ่านตัวจริงเราไปพูดอย่างนี้บ่อยครครูบาอาจารย์ท่านทวงบอกมหาติดอารมณ์วิปัสนู <c oughs> ถูกเบรกหลายๆครั้ง <c oughs> ถูกเบรกบ้างถูกสอบสวนบ้างพอเรามาแรงไปแรงเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องศึกษาอย่างระมัดระวังนะ เราจะทำอย่างไรให้สภาวะที่หลวงตาพูดทุกวันและหลวงพ่อมาอัดอีกสองวันเนี่ยไม่ให้มันอัดแน่นแต่ให้มันผอนคลายนะให้มันผ่อนคลา ย, นะหลายเหมือนนึ่งว่าเราไปผมน้ํากับไฟที่มันร้อนเนี่ยให้มันเย็นลงเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายว่าไฟที่ร้อนอยู่แล้วเติมเชื้อเข้าไปเติมเชื้อเข้าไปเติมเชื้อเข้าไ ป, าไปแล้วก็ร้อนอื่นอดัดอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายของเราเลย เป้าหมาในการปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้จะทํางานให้ผ่อนคลายที่สุดทําอย่างผ่อนคลายขยันอย่างผ่อนคลายแต่ถ้าหากว่าในการจัดอบรมเนี่ยอาจารย์จัดฤทธิ์ถ้าหากว่าเราเป็นคนใหม่เนี่ยก็เป็นธรรมดาเพราะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรเพราะเราใหม่ แต่ถ้าผู้ที่เก่าแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้จุดอะไรต่ออะไรก็ปรับตัวได้ไวเมื่อร้อนมาแล้วก็ปรับให้เย็นลงได้แต่ผู้ใหม่มายังไม่รู้วิธีปรับมันก็ร้อนสุดๆก็ทุกข์นะเพราะนั้นผู้ใหม่ก็จะเครียดจะง่วงจะเบื่อจะเบอเพราะอันหนึ่งคือความร้อนข้างในมันเผ า, เ า, เาที่มันง่วงอ่ะเผาจนกระทั่งมันหิวอ่ะหิวแล้วหิวอีกปัญหาความง่วงคือปัญหาความเครียดที่มันสั่งสมภายใน จิตสำนึกนั่นเองมันก็ออกมาเป็นความง่วงความเครียดและความคิดเมื่อปฏิบัติไปสัก 4-5 หวันความง่วงความเครียดความคิดฟุง้งซ่านเริ่มเบาลงเบาลงนั่นหมายความว่าความร้อนข้างในมันเริ่มเบาลงเพราะว่าตัวสติมันเริ่มเข้าไปถึงจุดกระทบจุดกำเนิดของความร้อ น, นความร้อนจึงเกิดจากการที่เรากรรมเข้ามาอย่างคนโกรธมือไม้ไปไง มือไม้จะล็อกค่เก่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลามันโกรธขึ้นมาเล็บมือมันจะแข็งทันทีเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเองปัจจุบันนี้คนก็เลยความร้อนมันหลบข้างในไม่การแสดงออกมันถูกบังคับอพอหลบเข้าไปข้างในมันก็ไปกระทบต่ออะไรจะตับ่อกระเพาะ่อหัวใจแล้วในสุดร้อนชุด ๆ, ๆก็กลายเป็นเคนเซอร์มะเร็ง อันนี้คือโรคของความเกิดจากความร้อนทั้งนั้นนะความดันเบาหวานเกเพาะหัวใจมะเร็งพวกนี้มาจากความร้อนที่มันฝังอยู่ข้างในมันระบายออกไม่ทันทั้งร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายความร้อนนี่ออกจากจิตเส้อก่อนอหลังจากที่อาตมาหลวงพ่อได้ระบายตัวนี้ออกไปเพราะตัวเองเมื่อก่อนเป็นคนร้อนมากทั้งร้อนทั้งเร็วทั้งแรง เพราะนั้นในสมัยเด็กๆนี่ตามไม้ต่าง ม, มือนี้มีแต่บาดแผลนะเพราะเร็วแบบไม่มีสติอ่ะก็มีแต่พลาดพอพลาดแล้วก็เต็มไปได้วยความเจ็บปวดแรง่า ง, างทีนี้พอเรามาฝึกสติเนี่ยมันเป็นการเรียบเรียงความรู้กายรู้ใจเนี่ยให้มันเป็นระเบียบเข้ามาระเบียบเข้ามาเมื่อก่อนมันก็จะกระจายไปหมดในห้องของเราห้องที่เต็มโรกลุงลังไปได้วยของ เราจะไปที่ไหนก็ยากจะใช้อะไรก็หากันอย่างวุ่นวายไปหมดเพราะมันรกเพราะเราจัดระเบียบไม่เป็นพอเรามาเจริญสติเกิดสัมมัชย์ญะเกิดปัญญาเราเริ่มจัดระเบียบข้างนอกฝึกจากข้างนอกเข้าไปก่อนเพราะมันเห็นง่ายเห็นชัดเราเริ่มจัดระเบียบกายเป็นจัดระเบียบวาจาเป็นการจัดระเบียบกายระเบียบวาจาเป็นเราก็เริ่มเห็นข้างนอกมันรก นั่นเขาเรียกว่าศีลต่อไปไปจัดระเบียบจิตเป็นเพราะจิตมันเคยคิดนรงนี้จัดระเบียบมันใหม่มันคิดอย่างนี้คนจะคิดอย่างไรไม่คิดคนอะไรคนจะคิดอะไรไม่ควรจะคิดแล้วจัดระเบียบเรียกว่าสมาธิแล้วไปจัดระเบียบความรู้ไปจัดระเบียบอารมณ์เราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสัมทัปัญญาไม่ใช่อะไรอื่นเลยคือการจัดระเบียบกายวาจาใจและความรู้ และส่วนที่จะมาจัดระเบียบก็ตัวนี้แหละคือความรู้สึกตัวเราเข้ามาในห้องนี้ในเวลากลางคืนเนี่ยไม่เปิดไฟปิดสนิทเลยเนี่ยแม้แต่เดินเราังไม่กล้าเดินเลยกลัวชนเสากัวชนนั่นชนนี่เราจะไปจัดนั่นจัดนี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วก็เปิดไฟขึ้นพอเปิดไฟขึ้นเทินออนปั๊บ เห็นตรงนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นควรจะวางตรงนั้นนี่ควรจะวางตรงนี้อันนั้นห่างประนิดอันนี้แค่ไปหน่อยอันนั้นไกลไปนิดอันนี้ใกล้ไปหน่อยขยับเข้าที่เข้าทางจัดได้เลยเพราะนั้นอันดับแรกที่สุดต้องมีแสงสว่างอันดับที่สองต้องมีอะไรที่สัมพันธ์กับแสงสว่างคือดวงตานะเมื่อมีดวงตา เปิดแสงสว่างขึ้นเพื่อให้ดวงตาได้ทํางานเมื่อดวงตาทํางานแล้วเราก็เริ่มเห็นความจริงว่าอะไรตั้งอยู่ตรงไหนแล้วเข้าไปจัดการความจริงให้ได้ตามต้องการอันนี้คือในแง่ของรู ป, ปรธรรมนะแต่ในแง่ของนามธรรมาในสมัยก่อนเราไม่เคยฝึกสีสวติปัญญาเนี่ยก็อย่างที่ดวงตาท่านว่ามันคนกันมั่วไปหมดมไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมคนเขาจึงเรียกว่าคนนะ พอรู้จัดระเบียบศีลสมาธิก็เรียกว่าเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมได้แล้วพอรู้จักวิธีจัดระเบียบทางอารมณ์และความคิดเป็นเป็นอริยะแล้วน่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือพุทธศาสนาจะสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตละธรรมชาติอย่างแยกกันไม่ออกเลยดังนั้นวิธีการจัดระเบียบกายเนี่ย เขาจึงเน้นที่กายก่อนเขาเรียกว่าศีลแต่ได้กล่าวมาเบื้องต้นว่าการที่เข้ามาห้องนี้เนี่ยถ้าจะเข้ามาจัดระเบียบได้เนี่ยประการแรกที่สุดต้องทําอะไรก่อนเพราะชีวิตท่านเปรตสมุนมันมืดชีวิต ม, มันมักจะมืดด้วยความโรคความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นต้องเปิดไฟตาถึงจะมองเห็นนั้นอะไรต้องมาก่อนที่จริงๆแล้วอะไรต้องมาก่อน และจัระเบียบแสงสว่างทรองมาก่อนใช่ไหมแสงสว่างคืออะไรคือสติสัมปชัญญะดวงตาคือปัญญาแสงสว่างที่เราเปิดขึ้นเนี่ยคือสติสมัมผัสแล้วสติก็คือสวิตสัมปชัญญะคือหลอดไฟที่มันทำหน้าที่ ให้สว่างแล้วปัญญาตาของเรามองเห็นใช่ไหมอันนี้คือคือว่าในส่วนทางนอกก่อนแล้วรู้จักวิธีจัดอะไรคนจะเนเรียกว่ายานและยานทัศนะพอเราจัดระเบียบข้างนอกเป็นเราก็ไปจัดระเบียบภายในเป็นการเจรดระเบียบภายนอกเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์แปดท่านจึงเอาตัวองแห่งปัญญาขึ้นก่อนองแห่งปัญญามีสมาอะไร สมาธิทีกับสมาสังคปปะเป็นดวงของปัญญาพอเกิดปัญญาปับ๊บคือแสงสว่างดวงตาเห็นปับ๊บท่านเอาศีลเข้ามาเลยสมาวาจาสมากรรมตะกสมาอาชีวะคือจังจัดระเบียบเข้าที่ขรข้าทางด้วยศีลแล้วจากนั้นมาจัดระเบียบภายในคือสมาวายามะสมาสติสมาสัมปชะคือจัดระเบียบภายในจัดระเบียบภายนอกใช้ศีล จัดระเบียบภายในใช้สมาธิการที่จะรู้ว่าจัดอย่างไรต้องใช้แสงสว่างและดวงตาเห็นไหมอันนี้คือเป็นปรูปธรรมที่เห็นชัดๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ทําไมเราสอนกันซับซ้อนลึกลับซับซ้อนจนมองไม่ออกเลยเพราะคนที่สอนมองไม่เห็นน่ะแล้วก็เหมือนคํานักปราชญ์เขาว่าตาบอด จุงคนตาบอดเพราะว่าทางเหนือนะครับเจ้าทุเจ้าตอนแรกเนี่ยทุเจ้าดีตาดีจุงสตาตาบอดทุเจ้าไปบรอดสตาตาบอดจุงทุเจ้าตาดีต้องห่างเพราะฉะนั้นก็คือตอนแรกเนี่ยทำท่าดีนะพอสอนไปสอนมากิเลสมันเข้าเลยกลับไปบอดเหมือนเดิมแต่ไม่ออกก็อกกลับสว่างขึ้น เลยไปจุงทุเจ้าต่อนะี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นเองเราจะต้องทําแสงสว่างให้เกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะีที่เราสวดอ่ะจากหูท่าปฏิญานณุท่าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาท่าปฏิอารม โ, โกท่าปฏิจกักษ์เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะฉะนั้นอันที่ว่าจากักษุในที่นั้นคือว่าดวงตาเนะี่ะท่านหมายถึงอะไรหมายถึงปัญญาหมายถึงวิชา หมยถึงยานหมายถึงแสงสว่างนะที่สวดหมายถึงอั น, นั้นเป็น d e f i n i t i o ของคําว่าจากหูเกิดขึ้นแล้วแก่เราเป็นคํานิยามของทั้งสีน่นี้ดังนั้นส่องตัวเองดูตัวเองก่อนว่าตอนแรกขณะนี้เรานั่งเนี่ยอะไรเกิดขึ้น ก, นกนแกเราบ้างมองเห็นไหมขณะเนี้ยดูลงไปอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนั่งมานานเป็นชั่วโมงแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเปลี่ยนยีริ บ, บทไปกี่ครั้งแล้ว อาการเปลี่ยนอิบุดแต่ละครั้งคือการระบายอะไรระบายความร้อนนะการระบายความร้อนคนไหนร้อนบ่อยหน่อยก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยคนไหนไม่คออ่อยร้อนเท่าไหร่ก็นานๆเปลีย่นยนทีหนึ่งนะนั่นคือระบบของร่างกายมันจัดการเข้ามนเอ ง, องแต่ในการระบายความร้อนออกนั้นถ้าเราจัดระบบของความร้อนต่อไปมันจะกลายเป็นแสงสวา่าง เหมือนกับเขาสร้างเต า, าไฟฟ้าเอ้ยลิกไนท์ใช่ไหมเขาก็ต้มน้ำเต็มที่เลยนะน้ำให้มันเดือดแล้วเอาแรงน้ำเดือดนี่ไปออกท่อระบายและท่อระบายนี่มันก็ไปอัดเจ n เนอเรเตอร์คือใดให้หมุนออกมาเป็นหลายเป็นล้านล้านวนแล้วมีไฟแจกจ่ายทั่วประเทศนั่นคือพลังของความร้อนถูระบายออกมาเป็นแสงสว่าง ในตัวเราเนี่ยมีพระทิฏึงหกดวงอะ่ะมันระบายออกตลอด เ, เวลาแต่ถ้าเราได้ฝึกกรรมาฐานเราตั้งเจเนเรเตอร์เครื่องปัน่นเครื่องใดที่จะไประบายอันนั้นคือตัวสติสมชัญญาและปัญญานั้นคือการวิธีการติดตั้งเครื่องเจนเนเรเตอร์เพื่อจะระบายออกมาเป็นแสงสว่างและแสงสว่างนี้ก็จะนําให้เรามองเห็นสัจธรรมและเมื่อมองเห็นสัจธรรมเราก็จะคลายความหลงผิดของเราลง ความล้มผิดที่เกิดจากวิชาตันหาอุปทานนั้นก็หายสงสัยในชีวิตว่าไม่สงสัยในชีวิตเมื่อไม่สงสัยในชีวิตแล้วเราก็ไม่เราจะมีทุกข์อีกต่อไปไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคําว่าหายสงสัยเนี่ยสับเบลีก็ใช่ว่านิกรังโโหนิกังโ ข, งขเป็นชื่อหนึ่งของพระอรหันต์ผู้มีผู้หมดสงสัยนะหมดสงสัยในชีวิตหมดสงสัยเพราะเราเข้ามาในห้องเนี้เหมื่อเราเข้ามาในห้องนี้เราสงสัยไหมว่า หนังสืออยู่ที่ไหนสงสัยไหมพระนั่งอยู่ที่ไหนพระคนจะนั่งที่ไหนโยมคนจะนั่งที่ไหนที่เรานั่งตรงไหนเราเข้ามาปั๊มเนี่ยเราสงสัยมาเราลังเลไหมว่าจะนั่งตรงไหนไม่ลังเลเลยทุกอย่างมันถูกเซตเข้าที่ทางหมดแล้วนะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นรูปธรรมง่ายๆแล้วก็เอาระบบนี่ไปเซตที่บ้านเราไปจัดที่บ้านเราให้เข้าที่เข้าทางปัจจุบันนี้พวกนักวิทยาศาสตร์มันฉลา มันก็เลยระบบทั้งหมดไปรวมอยู่ในอะไรคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนนี่คอมพิวเตอร์นี่มาไม่แกะไม่กล้าแตะต้องเลยนะกลัวด้วยซ้ำไปเหมือนกับวัตถุประหลาดสักอย่างหนึง่งแต่เพื่อไปอยู่อเมริกาเนี่ยมันถูกบงังคับให้ใช่จะไปที่ไหนเนี่ยต้องเช็ค ก, ก่อนว่าเขาไปทางไหนต้องเข้าไปดูดเรกชันแล้วก็ไปอย่างไร เราจะซื้อของจะไปซื้อของตรงนูตรงนี้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาค่ารดค่าเดินทางเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูขอ้อมลว่าร้านนี้มีอะไรบ้างเราจ ะ, จะไปเอายี่ห้ออะไรก็ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์เราไปซื้อของชิ้นนี้เราไปเสียเวลายืนค้นหากันทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงในร้านเนี่ยไม่ได้พอมาหาในคอมพิวเตอร์ เ, เสร็จแล้วเอาอนั่งรถไปก็ไปหยิบอของเดินมาจากร้านกลับวัดเลยเนี่ยมันมันมันคัมนบมันจําเป็น ในที่สุดเอามาก็เลยถูกบังคับให้ใช้ในสิ่งเหล่านี้นใช้ไปใช้มามันก็เป็นดังนั้นเองเราจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์มันก็ทำให้เอามันสมองของอย่างที่กล่าบมาเบื้องต้นมันสมองของคน High ฮ p ปีดมาใช้กับคนม d i u m Speed หรลอ Low Speed ไอคนอไอโลว์สปีดม e ดเดิ Speed มันก็จะตายเอาให้ได้วิ่งซอกซอกซอกหาเงินหาทองเพื่อจะไป สริให้มัน ไ, ไอตัวเองก็จะเป็นไฮสปีดอย่างเขามาั้งไฮสปีดต้องจ่ายสูงใช่ไหมดเน็บ้านเราถ้าเอา5้าคุณต้องจ่ายเท่านี้นะถ้าเอาพันหนึ่งคุณต้องจ่ายเท่านี้เอาสปีดสองพันคุณต้องจ่ายเท่านี้นะใช่ไหมบ้านเราก็ต้องขายเทคโนโลยีกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราไม่รู้ตัวเราถูกครอบงำมาตามลําดับตามลําดับตามลําดับเรื่อยๆอถ้าคุณจะไปรถบัสต้องเท่านี้นะคุณจะไปรถส่วนตัวต้องเท่านี้นะแต่คุณจะไปเครื่องบินต้องเท่านี้นะ หลวงตามหมดป 3, มเป็นั้งสามพันฟาเมื่อวานเพียงเพื่อจะให้หลวงพ่อได้ข้ามฟ้าไปในในในกรุงเทพเพียงชั่วโมงเดียวเนี่ยเห็น ไ, ไหมหลวงพ่อก็เลยโอ้ถ้าไปทุกองค์ได้พระให้พระติ่ตับติดตามมาให้ปฏิบัติอยู่ที่นี่รอหลวงพ่อหน่อยโอท่านก็มีงานที่จ้องทําข้างหน้าเหมือนกันนะงั้นคุณไปก่อนก็เลยกันเลยส่งไปเมื่อกี้นะหลวงพ่อจะตามทีหลังเพื่อจะได้เซฟกําลังหน่อยต้องทํางานที่ทํางานมีการที่จะไปที่ไหนถ้าข้าม กันลัดกันเป็นหลายชั่วโมงบ้านเราแค่ชั่วโมงเดียวก็รอบประเทศแล้วทั้งนั น, นั่งที่นั่งเครื่องบินหกชั่วโมงจากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยอจากแคลิฟอร์เนียไปนิวยอร์กเนี่ยทั้งห้าหกชั่วโมงอย่างนี้ก็สี่ชั่วโมงเห็นไหมเพราะงั้นมันก็ใช้เครื่องทั้งนั้นอยู่อเมริกาแต่บ้านเราหูนั่งรถทีนึงบอบใช่ไหมถนนเป็นคลื่นเลยอะ่ะไปถึงเลยส ง, งอกสงแงกเลยทาเวลางานนั้นไม่ไหว แต่ถนนเมกาเปไงไม่ว่าบ้านน อ, อกในเมืองเหมื อ, มอกนกันหมดกําหนดเวลาเอาเขาไม่ได้บอ ก, ก, บอ ก, กเป็นกิโลจากกรุงเทพนี่คุณกี่กิโลนี่เขาไม่ได้บอกแล้วเขาบอกจากกรุงเทพไปจากนี้กรุงเทพกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็คือสี่ชั่วโมงบานเราไม่ใช่น่ะบอกว่าสี่ชั่วโมงต้องเป็นเท่าไหร่เผื่อว่าอีกสองชั่วโมงเป็นหกชั่วโมองอย่างนี้นะมันก็บอกแล้วความแน่นอนก็ไม่ไม่ไมีความก้าวหน้าทางด้าน วัตถุอะไรเขาเราก็ต่ำํำเราก็ต้งซื้อเทคโนโลยีเขาในราคาสูงแล้วก็วิ่งหาเงินจนกระทั่งแผ่นดินจะไม่เหลือแล้วเอาเงินเ อ, เอาแผ่นดินเราไปแลกเงินเพื่อจะไปซื้อเทคโนโลยีตามเขาเนี่ยดังนั้นอันนี้คือปัญหานะเอาละกลับมาปัจจุบันนี้ว่าในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะเอาอะไรในวันแรกให้รู้ว่ามารู้จักรูปกับนาม ตอนนี้ถามลหลายๆคนเรื่องรูปนามเรื่องชัดเจนถึงแม้ยังจะแต่ว่าเป็นรูปนามโดยปัญญาไปสองสามคนเมื่อวานแต่โดยสัญญาส่วนใหญ่ยังโดยสัญญาอยู่กำหนดรูปไปเรื่อยๆนะอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าคนที่มีความพร้อมสูงก็เหมือนถั่วที่มันตากแบตพร้อมแล้วแตกไวคนที่มีความพร้อมยังไม่สูงก็รอที่มันจะแตกในวันต่อไปคนที่ไม่พร้อมเลยก็ทั้งบดทั้งอัดเพื่อจะออกเป็นเม็ถั่วให้ได้นะทีนี้สําหรับวันนี้ จะพูดถึงเรื่องขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งว่าวันก่อนหลวงพ่อพูดถึงรูปนามแล้วก็นามรูปใช่ไหมพูดถึงเรื่องความรู้สึกกายเรียกว่ารูปนามพูดถึงเรื่องความรู้สึกใจเรียกว่านามรูปทั้งความรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยอะไรเป็นตัวเชื่อมสังเกตไหมรู้สึกกายเรารู้สึกได้นี่มีอะไรเป็นตัวเชื่อม แล้วจะเปลี่ยนขาเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนขานั่งเปนอันนะทำไมต้องเปลี่ยนอะไรทาให้เราเปลี่ยนทุกขเวทนาใช่ไหมปวดขาทุกขเวทนาแล้วพอเปลี่ยนไปมันสบายนิดหนึ่งเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นอีกใช่ที่นี่มันไม่ปวดขามันปวดหลังปวดเอวนั่งอยู่เปลี่ยนที่ีตัวเวทนาจึงเป็นตัวสะพานเชื่อมระหว่างรูปกับนาม ในขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นในรูปก็คือเป็นรูปทั้งที่เป็นรูปหยาบรูปละเอียดแต่ในนามนับตั้งแต่นามล้วนในสัญญาสังขารวิญญาณไปเนี่ยแต่ตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามหมายความว่าจะเชื่อมนามไปสู่รูปก็ได้เชื่อมรูปไปสู่นามก็ได้มันเป็นสะพานเชื่อมเรื่องเวทนาสําคัญมาก เพราะฉนั้นเราถึงเกี่ยวข้องเวทนาตลอดเวลาพลิกเปลี่ยนตลอดเวลาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนี้นี่ร่างกายเราก็ระบายด้วยการเวทนาเหมือนสะพานไฟเหมือนกับคัดเอาอะนะกายก็เหมือนแหล่งพลังงานทั้งนั้นใจก็เหมือนแสงสว่างออกมาแต่ว่าแสงสว่างจะดับจะมืดขึ้นอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่คันเอาหรือสวิตต์นะตัวนั้นเพราะนั้นเวทนาจึงเป็นสะพานธรรม ทีนี้เวทนาทางกายเนี่ยมันหยาบหยาบง่ายๆเห็นชัดๆแต่เวทนาทางจิตวันนี้จะพูดถึงเวทนาทางจิตวนนจเวทนาทางกายใครรู้ทั่วถึงแก้ไขใช้เป็นเรียกว่ารู้รูปนามเวทนาทางจิตถ้าเราคนไหนรู้จักแก้ไขใช้เป็นเรียกว่ารู้ปรมาภิษฐ์วันนี้จะไปแตะต้องตรงนั้นเผื่อบางคนพร้อมที่จะรู้ ถามว่าความรู้สึกตัวกับความรู้สึกปวดเนี่ยอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามทดสอบก่อนความรู้สึกตัวกับความรู้สึกไม่สบายในกายอันไหนเป็นรูปเป็นนามเอาให้่ความรู้สึกตัวกับความรู้สึกไม่สบายที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนไหนเป็นรูปส่วนไหนเป็นนาม ความไม่สบายกายเป็นรูปเพราะมันเกี่ยวข้องด้วยรูปเรียกว่ารูปนามแต่ความรู้สึกตัวเป็นอะไรเป็นนามเพราะมันเป็นผู้จัดการแต่นามตัวนี้เราเรียกชื่อมันว่าสติอ่าเรียกว่าสติเพราะเรารู้ว่าเออมันปวดแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราดำดับการรู้สึกตัวลงไปให้ชัดกว่านั้นอีกหน่อยนึง ว่าจะเปลี่ยนอย่างไรพลิกอย่างไรแล้วก็มีวิธีในการเปลี่ยนสติตัวนี้จะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรทันทีเป็นสัมปะชัญญาเห็นไหมแล้วตั้งใจทุกครั้งนะที่จะเปลี่ยนไม่เผลอเลยอ่าห้านาทีอ่าพอจะเปลี่ยนตั้งใจทุกครั้งแล้วก็ตั้งใจดูว่าพอเปลี่ยนไปแล้วตั้งใจดูว่าไอ้ความ รู้สึกที่เป็นเวทนามันเข้มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ อ, อ, อย่างไรเห็นกระบวนการที่มันเข้มขึ้นตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสมาธิความตั้งใจเห็นไหมนี่คือสมาธิที่เอืออาาเอ้อต่อวิปัสสนาสมาธที่เอื้อต่อวิปัสสนาคือสมาธาแบบนี้ไม่ไม่ใช่สมาธาที่นั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งพิจารณาลับหูลับตาแล้วเกิด ปฏิหารเกิดอนุภาพทางจิตอนันตสมถะที่ไม่เอื้อต่อวิปัสนาแต่เป็นสมถะแบบพราหมณ์แบบฮินดูซึ่งบ้านเราเมืองเราก็าไปติดสมถะแบบนั้นแต่สมถะที่เอื้อต่อวิปัสนาคือสมถะที่สติและสมาธิทํางานร่วมกันเช่นมันรู้สึกว่าเออตอนนี้พลิกไปแล้วมันก็เริ่มปวดละใช่ไหมแล้วก็เข้าไปดูอาการปวดนั้นทันทีว่าหนักหรือเบาไหวหรือไม่ไหวตรวจสอบ เราจะพลิกอย่างไรถึงจะสวยพลิกอย่างไรถึงจะเรียบร้อยพลิกอย่างไรถึงจะเนียนนะะมีการแผนตรงนั้นด้วยนะตรงนี้เป็นสัมปชัญญะและสมาธิทํางานร่วมกันเพราะสัมปชัญญนะเนาะครึ่งหนึ่งเป็นสติครึ่งหนึ่งเป็นปัญญาสัมปชัญญะจึงเป็นสะพานเชื่อมนามต่อนามเวทนาสัมปชัญญะกับเวทนาทํางานคล้ายๆกัน เวทนาเป็นสะพานเชื่อมรูปต่อน้ำสัมปัญญเป็นสะพานเชื่อมนามต่อน้ำคือเชื่อมสติต่อตัวรู้สึกภายในต่อปัญญาเพราะนั้นสัมปัญญาจึงเป็นทั้งสติและปัญญาสติและปัญญาจะเข้าถึงกันได้เพราะมีสมปัญญาเป็นตัวเชื่อมเห็นไหมถ้าเรามีสติก็รู้แล้วก็พลิกเลยได้อะไร ได้แค่สติใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสัมปัญญนะจะอาตีนมาคล้องสายไหมไม่คลนะ้องนะพอการเปลี่ยนมันก็จะเรียบร้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นอาการทางข้างนอกก็เรียบร้อยอาการข้างใ น, นก็เห็นชัดเป็นสัมปัญญาอันนี้ทบทวนในแง่งของอารมณ์รูปนามก่อนนะเอาละต่อไปฟังให้ดีตัวสติสัมปัญญา เชื่อมระหว่างรูปกับนามโดยอาการเห็นอย่างนี้แสงสว่างที่ปรากฏในกายเห็นในกายชัดไหมชัดเมื่อเห็นกายชัดเหมือนกนระเปิดแสงสว่างเงา ม, มืดที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นพอเปิดขึ้นปับ๊บเงา ม, มืดหายไปใช่ไหมนีความจริงที่เป็นรูปธปรรมก่อนนะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวชัดเจนอย่างนี้ความคิดเกิดขึ้นไหมความคิดปรุงแต่งกล้าเกิดไหม ไม่กล้าที่จะเกิดเหมือนเราเปิดไฟขึ้นเรแสงความมืดมันไม่กล้าที่จะอยู่แล้วมันปราศนาการหายไปทันทีเลยนะแต่ถ้าเมื่อไรความเข้มข้นของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลดระดับลงลดระดับลงความมืดก็ค่อยขยับกินพื้นที่เข้ามาทีละนิดทีละนิ ด, นดแสงสว่างนั้นระดับลดระดับลงลระดับลงจนกระทั่งมืดสนิท ตัวรู้สึกตัวถ้ามันอ่อนลงไปเรื่อยๆตัวมืดคือเงาคิดเงากินตนาการเริ่มปรากฏตัวเข้ามาการปรากฏตัวของการจินตนาการและความคิดเราเรียกว่านา ม, มารูปนาแต่ถ้าหากว่ามันชัดอยู่เสมอเรียกว่ารูปนามจะเป็นสติในรูปนามแล้วพอหากว่ามันไม่ชัดเริ่มเบลอเริ่มเบื่อเริ่มเพลินเริ่มสนุกไปในทางที่เรื่องคิดเงา ม, มืด ของความคิดก็เริ่มเข้ามาแล้วก็เข้าไปสู่อาการนั้นทันทีนะวิธีในกาแก้ไขอย่างไรวิธีแก้ไขก็คือการเหมือนกับเราสมัยก่อนเราหนึ่งข้าวด้วยฟืนใช่ไหมทันไหมโยมทันไหมสมัยโยมทันไหมสมัยมาเป็นเด็กทันนะตอนเย็นๆมาก็แม่บอกเไปหาฟืนม า, เ, า, รมาเราก็ไปหาฟืนในป่า ทีนี้ในขณะที่เราเนึ่งข้าวหุนข้าวต้มแกงเราใช้ฟืนบนนอกเราอ่ใช่ไหมทีพอติดฟืนแล้วถ้าเราไป ท, ทําธุระอย่างอื่นกลับมาเป็นไงฟืนดับหมดแล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสุกไวๆเราก็เป็นไงนั่งเฝ้าเลยใช่ไหมนั่งเฝ้ามันไอตัวไหนมันลาบออกมาตรวนี้เข้าไปตัวไหนเคลียที่เท่าเคลียฐานออกมาให้มันพรงตลอดเวลา ข้าวก็สุกต่างเวลาที่ต้องการครึ่งชั่วโมงถึงสิบ้านาทีสุกแล้วถ้าเราเรามีงานเยอะเอาติดไฟกลับมาออาหมอดอีกแล้วพม้อข้าวก็ยังไม่เดือดเอาไปใส่ไฟใหม่เอาเพอร์ลไปแล้วมีการเอาไปามาข้าวหายนั้นอาจจะสุกหรือมันสุกก็ได้ไม่สุกอาจจะสุกไม่ดีก็ได้น่ะชันใดก็ดีการที่เรามีสติสมิญะโพลงอยู่เสมอนั้นมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยถูกเขาเรียกว่าเผา ตะวะคือความอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผาเกลเตอย่างยิ่งความดิบของข้าวที่เราต้องการให้เป็นเป็นข้าวสุกคือเกลเอตของมันแล้วก็ใช้ความร้อนเข้าไปอบจนกระทั่งเปลี่ยนเอาความดิบออกกลายเป็นข้าวสุกเราถึงได้กินข้าวฉันใดก็ดีไอ้ความจิตของเรามันวอกแวกวันไว้มีอวิชชาจัหาอุปาทานเข้าไปครองมันอยู่คือความดิบของมันความเถื่อนของมันเราก็เอาขันติคือความอดทนอดกลั้นเนี่ย เข้าไปเป็นตะบักตะบักไปว่าเตาไฟก ด, ดกัน้ขนขณะที่ทําอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเ ร, เราต้องอ ด, ดต้องกันต้องทนแต่ถ้าอ ด, ดกลั้นทนด้วยความเข้าใจเป็นไงสบายกว่าใช่ไหมถ้าอ ด, ดกั้นด้วยความไม่เข้าใจก็เกิดความเก็บกดและบีบอัดแน่นเป็นตัวบทบังปัญญาปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าเราอดทนด้วยความเข้าใจมันก็เป็นตัวเสริมให้เกิดความร้อนแรงของแสงสว่างและปัญญา เห็นหมเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องมาก่อนเลยองค์ของสมาธิและองค์ของสมาสังกปะท่านจึงเรียงไว้อันแรกความเข้าใจคือปัญญาเป็นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนาท่านเรียงปัญญาขึ้นก่อนในภาคของความเป็นจริงปัญญาแล้วมาศีลและสมาธิเรียงสมาธิไปข้างหลังนะแต่เวลาเราในเชิงของปริยตเราไปเรียงอะไรศีล ส, สมาธิปัญญามันกลับกันหมดเลย มันถึงช้าไงเราไปปฏิบัติตามแผนที่อ่ะแต่พอปฏิบัติตามความรจริงปัญญามาก่อนแล้วก็ไปจัดระเบียบพอจัดระเบียบทางกายเรียกว่าศีลจัดระเบียบทางจิตเรียกว่าสมาธิแล้วเอาไปใช้เป็นเรียกว่ายานทัศนะเรียกว่าสัมมาญาณสัมมาวิมุตติจริงมากจริงๆไม่ได้มีแค่แปดนะเป็นมักสิบนะขอโทษหน่อยสัมมาหนึ่งส ม, มาอะไร ทิฐิสสมาสังกปะสมสมาวาจาสสมากรรมตะการงานชอบห้าสมาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้อง6สมาสติ7เอ้ย6สมาวายามะพยายามชอบ7สมาสติระลึกชอบ8สมาสมาธิตั้งใจชอบ9ก้าสมาญาณรู้ชอบ10สมาวิมุต หลุดพ้นโดยชอบเพราะนั้นทั้ง absolutely ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมรซิปไม่ใช่มรแปดมรสิบนี่บัญญัติไว้เพื่อสำหรับาพาะอนาคามีและผ่านขึ้นไปแต่พวกเราระดับธรรมดาอริยบคุคคลเบื้องต้นใช้แค่มรแปดก็พอนะดังนั้นเราจะเห็นว่าหลักการของพุทธศาสนาแล้วมันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยนะแก็ไม่ยากเลย แต่สำหรับคนไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยจะพูดแล้วมันยากมันไม่เข้าใจอย่างเราไม่มีปริยัตเลยเนี่ยฟังหลวงพ่อเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจล่ะถ้าไม่เข้าใจก็ถูกหาว่าโง่นะฮะ <laughs> อะไรคุณปฏิบัติมาตั้งหลายวันก็อยู่กับหลวงตาท่านฉลาดขนาดนี้นคุณยังโง่อยู่เลยยี่งถูกด่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องฉลาดด้วยก่อนเดี๋ยวถูกหลวงตาด่าเอานะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการ เจริญสติเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์เป็นทั้งอาและเป็นทายเป็นในตัวถ้าทําได้จริงๆแล้วถ้าหูกต้องจริงแล้วชีวิตนี้ที่แช่เราสวดพร้อมทั้งอัฏฐะพราอทั้งวิญญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงยี่ไหมแล้วสวดตอนเช้าอ่ะท่านพาทางวัดเช้าวังหรือเปล่าหรือว่าสวดแดนอื่นอะเกวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยางประกาศเซสีประกาศ ซ, ซึ่งพรหมจันท์ พร้อมทั้งอัฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริยู์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัถะคือประโยชน์ในส่วนที่เป็นทายพร้อมทั้งพยัญชนะคือในส่วนที่ระเบียบแบบแผนที่เป็นอาร์ตถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออัถะก็คือตัวสารแล้วก็พยัญชนะคือตัวอาร์ตแล้วมันก็จะสวยงามเพราะฉนั้นจะว่าตาม โลกของพุทธศาสนาเป็นโลกที่บริสุทธิ์สะอาดและสวยงามมากแต่มันไม่ได้เป็นเนกาทีฟอย่างฝรั่งเข้าใจกันมันได้เป็นด้านลบอย่างที่ฝรั่งเข้าใจกันอะไรพุทธศาสนาสอนในเรื่องทุกเรื่องเศร้ามองเรื่องออไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นฝรั่งไม่เข้าใจพุทธศาสนาให้สอนที่เป็นโพสติในส่วนที่เป็นบวกเป็นกุศลแต่เราไปคิดไปอย่างอริสสีทุกสมุทัย อ่าเป็นฝ่ายลบใช่ไหมนิโลธมักเป็นฝ่ายบวกทุกสมุทัยเป็นรูปนิโรธมักเป็นนามเรารู้รูปรูปนามก็เข้าใจรลีสสีแล้วเพราะในการดูทุกแก้ไขทุกเนี่ยเราก็อยู่ในอารมณ์รูปนามอยู่นะพอไปเลยแก้ไขจิตแก้ไขอารมณ์ในเรื่องที่จะดับจะแก้มันก็เป็นปรมัตแล้วสมมุติก็อยู่ตรงนั้นทุกสมุทัยเป็นสมมตินิโรธมักเป็นปรมัตอยู่ในตัวเสร็จ แต่ขอให้เข้าใจลูกนามชัดๆเท่านั้นเอง <c oughs> ในฤาษสสีมันมันเป็นคุณธรรมหรือเป็นสากลที่ในการแก้ปัญหาทั้งหมดปัญหาทั้งโลกเนี่ยแก้ไขด้วยหลักของฤาษีเท่านั้นเช่นอะไรความจนเหตุ ข, ของความจนการแก้ความจนการหมดความจนฤสาษสีไหมความขี้เกียจเหตุ ข, ของความขี้เกียจการแก้ความขี้เกียจ แล้วเกิดหมดความขี้เกียดเป็นไหมความปวดเห็นทั้งความปวดการแก้ไขาการปวดแล้วก็หมดความปวดมันอยู่ในนี้ทั้งหมดแปดมืนสี่พันพระมขันย่อแล้วเหลือริศสีในการแก้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยจึงเน้นให้เรารู้จักรูปนามชัดๆยังไงเข้าใจารูปนามชัดๆมันจะช้ามันจะยากแค่ไหนก็ ก็ทำเพราะว่ามันเป็นเบื้องต้นมันเป็นพยัญชนะที่เราจะต้องอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองต่อไปถ้าเราไม่รู้รูปนามเนี่ยเราอ่านตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่ชัดจัดตัวเองไม่ถูกก็ก็ปลูกฝังตัวเองในทางที่ดีไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปนามเนี่ยมองข้ามไม่ได้ถึงแม้จะเป็นอารมณ์เบื้องต้นเป็นเบสิกที่สุดแต่มองข้ามไม่ได้ต้อง ตอกย้ำให้รู้รูปนามหลายๆรอบสิบรอบยี่สิบรอบยิ่งดีให้เกิดความคล่องตัวเมื่อรู้รูปนามเนี่ยโอ้โหกิเลสมันหมดไปครึ่งหนึ่งเลยนะแล่อีกครึ่งหนึ่งเมื่อไปรู้ปรมัตดเพราะนะ่าอารมณ์หลักๆแค่ว่ า, ารูปนามปรมัดแค่นั้นนะเรื่องอารมณ์เกิดดับเป็นเรื่องของใครของมันแต่เบื้องต้นเนี่ยเราบอกกันได้ดังนั้นการขยับปรับเปลี่ยนอิทบทแต่แต่ละครั้งนะั้มีความหมาย การหายใจเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยมีความหมายเมื่อเรามีสติสัญญาเข้าไปรู้การาพับตาปากหายใจเร็วซ้ายไหลขวาหยิบหยับจับฉวยก้มเงยก้าวหน้าถอยหลังพวกนี้มีความหมายหมดถ้าเรามีสติสัญญาเข้าไปรับรู้ทุกขณนะคือการแปรสภาพตัวไม่รู้คืออวิชชาให้เป็นตัวรู้คือวิชาแปลสภาพความหลับไหลให้เป็นความตื่นโพล่ง แปลสภาพของความมืดบอดให้เป็นความสว่างสวัยแค่นี้เพราะนั้นการที่เราตั้งใจทำเนี่ยแล้วก็ทาอย่างมีความเข้าใจมันก็จะไวแต่คนไหนที่ทาความด้วยความเข้าใจน้อยสมมติว่าเราตั้งความเข้าใจไว้รอยเนี่ยคนไหนเข้าใจมีความเข้าใจถึง 80%-90% ก็ก็จะไวขึ้น คนไหนมีความเข้าใจ50 60ก็จะปันกลางคนไหนเข้าใจแค่10 20เซก็จะช้าลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเข้าถึงตัวสภาวะแต่ะระดับเนี่ยขึ้นอยู่ระดับของความเข้าใจไม่ได้ขึ้นอยู่ของระดับของความเพียรเท่านั้นเพราะความเพียรนั้นถ้าขาดความเข้าใจความเพียรนั้นก็เป็นไงก็ออกนอกทางเช่นเราจะไปกรุงเทพ แต่เราคิดว่ากรุงเทพไปที่ทางนี้เราไม่เคยไปนะอ้าวพอขับรถไปแล้วมันเกิดมีทางแยกผิดไปอีกทางหนึ่งอ้าวรถไปโผลท่ที่อุบลมันไม่ถึงกรุงเทพนั่นเห็นไหมเราขยันเราขับอย่างดีนะแต่ว่าที่ทางไปอีกคนละอย่างเพราะนั้นตัวเช็คที่ทางเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทางเป้าหมายนะ ดังนั้นถ้าจะเปรียบสติสมัมปชัญปัญญาเปรียบเสมือนการเดินทางแล้วก็คือตัวสติให้รู้ว่าเราพร้อมที่จะเดินและเดินไปเพื่ออะไรตัวสมาธิตั้งใจเดินตัวปัญญาในขณะเดนินเดินอย่างไรเดินอย่างปลอดภัยและตัวญาณทัศน์ว่าเราจะไปสู่เป้าหมายไหนเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยอยู่ที่ไหนมองเห็นไหมนี่ เพราะนั้นสติสมาธิปัญญายานทัศน์ถึงสัมพันธ์กันเหมือนอกับการเดินทางจิตเราก็เหมือนกันสติสมมุติเราจะออกจากเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ยเรามองเห็นแล้วเออไป ต, จจตักข้าวแล้วเสร็จจากตักข้าวเราจะไปไหนเนี่ยทานข้าวทานข้าวเราเปทําอะไรลุกไปล้างด้วยล้างชามลุกล้างเท่านี้ไปอะไรต่อไปข้าสู่ที่ปฏิบัติมองเห็นเป้าหมายตรงนั้นก่อนในภายในสองชั่วโมงเราจะไปสู่เปเป้าหมายตรงนั้นแล้วก็ลําดับของความรู้สึก เพราะว่าเป้าหมายในเส้นทางเราเซ็ตไว้เรียบร้อยแล้วมันเป็นระบบละแต่การที่จะเดินไปตรงนั้นเนี่ยเราจะมีสติสมาธิปัญญาตลอดเวลาได้อย่างไรเพื่อความปลอดภัยใช่ั้มอันนี้คือในแง่ของรูปธรรมดังนั้นในจุดนี้เราจึงเน้นทำความเข้าใจแล้วแล้วเราจึงมีการพูดแล้วพูดอีก ถ้าคนที่ไม่เคยมาก็อ้วอะไรกันนักกันหนาพูดเช้าพูดเย็นพ่อแม่ฉันก็ไม่พูดขนาดนี้นะสอนเลแต่นายพระพูดเยวะเลยกิ น, น่ะเ <c oughs> ป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อสร้างอะไรสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสัมปะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยจะเดินทางวิธีไห น, นก็สบายไม่สงสัย เหมือนโยมเคยขับรถไปกรุงเทพไปห้ารอบสิบรอบเนี่ยโอ้โหสบายเลยที่นี่ไม่ต้องถามใครแล้วไปไปเนี่ยทันทีจะช้าจะไวแล้วแต่จะกําหนดจะเดิน อ, อย่างยังไงปลอดภัยแล้วแต่กําหนดน่ะน่ารู้เป้าหมายแล้วเราเป้าหมายของการมาปฏิบัตินี้คืออะไรคือชีวิตที่ไม่ทุกใช่วยไหมเป้าหมายของเราอ่ะคือชีวิตที่ไม่ทุกแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการสุขอ่ะชีวิตจริงๆมันมีสุขไหมอ่า มันไม่มีสุขและขณะเดียวกันเราก็ต้องการมาให้มันทุกข์ด้วยเพราะความสุขก็คือทุกข์น้อยใช่ไหมตามหลักวิทยาศาสตร์ความทุกข์ก็คือสุขน้อยนั่นเองนะทีนี้เราจะทำไงให้มัน normal หรือกปกติคือมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ร่างกายของเราจะว่ามันไม่ะจะว่ามันไม่ทุกข์นะแต่ร่างกายก็ยังมีทุกข์อยู่คือมันไม่สุขหรอกเดี๋ยวปวดตรงนั้นเดียเจ็บตรงนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระราหัทั้งหลายท่งางเคยยังทุกข์ในส่วนนี้อยู่ คือในส่วนที่รูปเพราะรูปมันเป็นวิบากขันที่ได้รับผลมาจากอํานาจของวิชาดันหาวประธานของบรบรพบรุษของเราแต่บรบรพบรุษของเรามานั่งปฏิบัติแบบนี้นะเราก็ไม่ได้เกิดมาใช่ไหมแต่ที่เราเกิดมาณวันนี้เพราะบระบรพบรุษของเราไม่รู้จึงทําให้เราเกิดมาเราก็ต้องมาเสวยทุกมาแก้ทุกกันไม่จบไม่สิน้นเพราะนี่คือเรียกว่าวิบากขันที่เราต้องเสวยในส่วนของกาย หน้าที่ของเราก็เมื่อทุกทั้งสองด้านทั้งกายก็ทุกทั้งใจก็ทุกชีวิตนี้เป็นไงล้มเหลวไม่ไประสบผลสาเร็จไม่สู่เป้าหมายแต่ขอให้มันทุกทางเดียวคือทุกทางกายแล้วใจของเราไม่ทุกความทุกทางกายนั้นบำบัดง่ายจะทำให้ไม่ทุกก็ได้แต่ว่าไม่ทุกเลยเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นรูปเพราะรูปนี้ต้องตกอยู่ในอนาจอะไรเสมออยู่ภายใต้กัน ควบคุมของอะไรเสมอที่พูดไปเมื่อวานลืมแล้วอะนิดจางทุกขังอนัตตารูปอ ะ, อะไรก็ตามปรากฏที่กายก็ตามปรากฏที่ใจก็ตามต้องเปลี่ยนแปลงเลสเมอต้องอาพาธเจ็บป่วยบุบสลายต้องหมดสภาพไป เสมอไม่ว่าปรากฏที่กายที่ใจก็ได้ความคิดปรากฏที่ใจมันเคยอยู่ตรงเดิมไหมไม่มันดับสลายไปแล้วแล้วความปวดที่มันเกิดขึ้นขณะเมื่อกี้กับขณะเดี๋ยวนี้เป็นอันเดียวกันไหมเป็นโคอันปวดเท่วนี้ก็ปวดชนิดใหม่ใบไม้ที่ล่วงหล่นไปกับใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นเป็นใบเดียวกันไหมไม่ที่ร่วงแต่ว่าเป็นใบเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันอยู่คนละที่แล้ว ขณะแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้กับขณะเปลี่ยนแปลงขณะนี้ก็เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนต้นกับที่มันปวดขณะนี้ใบไม้ที่กําลังมันจะหลดนะฮะแต่ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้คือใบไม้ที่หล่นร่วงไปแล้วและที่เรากําลังทํานี่เรากําลังแตกยอดใหม่ของใบไม้ให้เกิดที่ความสดชื่นแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติสัญญายในชีวิตจริงของเราเลยเนี่ยชีวิตของเราจะสดชื่นสงบได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนที่ต้นไม้ขาดน้ํา แต่จะแห้งหี่ยวแล้วก็หล่นตายลูกเดียวชีวิตที่แห้งเหิวแล้ว ông, وم, ทมโสมทุกอยู่ตลอดเวลาเป็นชีวิต ท, ที่ไม่ได้รับความชุ่มชื่นของพระธรรมเลยนี่คือเป้าหมายของเราเป็นชีวิตที่ผุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขและสงบถ้าจะสมมุติพูดนะคือเป็นชีวิตที่ไม่ทุกนั่นเองความไม่ทุกนี่มีชื่อใหม่ขึ้นมาใช่ไหมมีชื่อใหม่ว่าอะไรบรมอะไร บรมนิพพานังปรามังสุขังบรมสุขเป็นชื่อหมายเลขบรมสุขโอ้สุขเหลือเกินนะดังนั้นความไม่ทุกข์จึงไม่ถูกเรียกว่าสุขหรือทุกข์ถูกเรียกว่าบรมธรรมและบรมสุขนิพพานังปรามังสุขังตรงนั้นเป็นพุทธวาสิทิ์ยืยนยันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ของทุกคนต้องทําเป็นหน้าที่ของคนค น, คนที่ต้องการความไม่ทุกข์นะ ต้องมาศึกษาวิธีนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกเอกายโนพิกเวยยังมัคโคสตาณังวิสุตยาโสกปริเทวนังสมติกมายะญาเยสัติกมยะนิพานะสัจจคเนนัถยะเห็นไหมบอกว่าทางนี้เป็นทางเดียวนะไม่มีทางอื่นเลยนะเอกายนามะทางนี้เป็นทางเดียวที่จะทําให้ความบริสุทธิ์หมดจดของจิตเกิดขึ้นที่จะทําให้ไม่มีความโศกเศร้าพิไรดำพันธ์ที่จะทําให้ความ ไม่สบายกายไม่สบายใจหมดไปที่จะทําให้รู้แจ้งในความเป็นจริงที่จะทําให้อนิพานให้แจ้งได้ทําทั้งนี้ทั้งเดียวเท่านั้นนะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วอย่างเนี้ยเรายังนอนใจอยู่หรือแต่วิธีการทํานั่นนะต้องทําให้เป็นนะถ้าทําใหเ้เป็นเกิดผิดเพี้ยนติดอารมณ์ขึ้นมามาโทษครูบาอาจารย์ไม่ได้นะเพราะไม่ได้สอนให้ไปเพี้ยนเลสอนให้ไปทําให้มันถูกนะแล้วบางคนนี่ เป็นไปพอกลับไปบ้านหนูทั้งใจเต็มที่มีิยมถามจะมาคนนึ่งหลวงพ่อเวลากลับไปบ้านหนูไปตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เนี่ยมันเป็นไปได้มั้ยได้เกิดแล้วก็มันจะบ้าขึ้นมาไหนจะทอํอย่างเงเออนี่ถามดีนะถ้าทําเป็นไม่บ้าพ่อวิปัสนาไม่ได้สอนให้คนบ้าแต่วิปัสนาสอนให้คนหายบ้าแต่คุณไปทำแล้วเป็นบ้าไม่ใช่วิปัสนามันจะเป็นวิปัสนูนะระวังตัวนี้นะ กลับไปวันตั้งใจทำเดิมที่เกิดจิตไปลงล็อกไปตกหลุมความรู้ไปตกหลุมธรรมะเข้าโอ้โหคิดใหญ่เลยรู้อะไรสารพัดสารเพรู้รู้รู้ก็ก็อยากจะระบายเพราะความรู้เป็นความร้อนชนิดหนึ่งใช่ไหมเป็นพลังงานก็อยากจะระบายก็ไปพูดพูดพูดกับคนอื่นคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมเขาก็บอกไอเรานี่เพี้ยนไปแล้วไปหาหลวงตาเนี่เพี้ยนมาแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยเดือดร้อนหลวงตายหลวงตาแก้ไม่ตกเดือดร้อนถึงหลวงพ่ออีก เห็นไหมเพราะฉะนั้นสอนให้ไปรู้นะไม่ได้สอนให้ไปหลงนะเพราะฉะนั้นต้องทำให้เป็นการทำเป็นนี่เองเรียกว่ากุศลมันมีคาในพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้ามีหนึ่งอะไรนะสภาวะ ป, ประสะอาอการณอยาสร้างความโง่เขลาให้กับตัวเองสองกุศลสู้ประสมบทาสร้างความฉลาดการทำอะไรให้เป็นเสมอ สามทั้งความเป็นไม่เป็นทั้งความโง่ความฉลาดเมื่อหมดความจําเป็นแล้วล้างทิ้งไปขั้นสอนแค่นี้ต้องสลัดทิ้งไปหมดเมื่อมันหมดความจําเป็นแล้วบางครั้งเราจะเป็นต้องโง่ด้วยใช่ไหมเราไปไหนเราจะแสดงความฉลาดของเราเรื่อยไปไม่ได้เราไปอยู่กับคนโง่ต้องโง่ให้เป็นไปอยู่คนฉลาดก็ต้องฉลาดให้เป็นจึงเรียกว่ากุศลคนฉลาดเป็นโง่เป็นนั้นเรียกคนมีกุศลแต่ฉลาดก็ไม่เป็นโง่ก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าคน สร้างบาคโอ้โหฉลาดเหลือเกินพูดได้จ่อยๆเลยรู้เรื่องหมดฉลาดแต่คนฉลาดที่สุดกลายเป็นคนโง่ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้จักประมาณเพราะฉลาดไม่เป็นฉลาดผิดที่นะดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกุศล น, นะท่านไม่ได้สอนเรื่องบุญนะอุศลสู้ประสัสมปทาสร้างความฉลาดสร้างความรู้ทำพูดให้เป็นทําให้เป็นคิดให้เป็นอยู่เสมอแล้วมันมากลายเป็นเป็นหลักของการศึกษาปัจจุบันใช่ไหม ทำเป็นพูดเป็นคิดเป็นแล้วทํากันเป็นจริงไหมก็เป็นโสโลแกนเท่านั้นเองเวลาไปทำจริงจิงก็ไม่เป็นหรอกเพราะไม่ได้ทําวิปั ส, สนานะเพราะฉะนั้นหลวงตาบอกว่านี้เขามีโครงการนะทั้งพอทั้งหลายนึกจะมาอบรมระดับเขตระดับภาคหลวงพอ่อมาช่วยน้อยเอาหลวงพ่อจะมีเวลาที่ไหนต้องต้องว่ากันใหม่กันแล้วกันนะ ดังนั้นเดี๋ยวนี้เรื่องนี้กำลังเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาของชาติแล้วทางมหาลาัยไม่ดุนเขากำลังประชุมสัมมนากันอยู่แล้วตัวงานนะ่คือใครก็คือพระแล้วพระมีกี่รูปที่จะมารู้เรื่องอย่างนี้นี่แหละคือปัญหาว่าเราบุคลากรขอเราโตไม่ทันดังนั้นอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะแต่ในเรื่องก็คือว่าการที่จะประสาน ร, รูปนามเข้าด้วยกันต้องอาศัยอะไร สติสัมปชัญญะเพราะนั้นสติสัมปัญะสติสัพพทาปีจําเป็นตลอดเวลาจําปรารถนาในที่ทั้งปวงเพราะนั้นเราจึงเตรียมสติตลอดเวลายกมือสร้างจังหวะเนี่ยเพราะอะไรเราอยู่กับความไม่รู้สึกตัวมาห่อนชีวิตอะ่ะแต่บัดนี้เราจะไม่อยู่ความรู้สึกตัวมันก็จําเป็นต้องทำอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าความไม่รู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องทําเพราะมันคือชีวิตของเรามาก่อนชีวิตเก่า ชีวิตเดิมของเราแต่เรามาสร้างชีวิตใหม่ New Life มันจะต้องมาสร้างตัวนี้แหละสร้างความรู้สึกตัวทุกขร้อมให้เกิดขึ้นและสร้างอย่างเข้าใจด้วยแต่สร้างอย่างไม่เข้าใจมันก็จะกลายเป็นความหลงชนิดหนึ่งได้เหมือนกันนะและความหลงชนิดนี้ก็ไม่มีใครทำให้ได้นอกจากตัวเราเองเพราะขาดอะไรขาดความแยบคายพวกธรรมาก็ทาหน้าที่เป็นเพียงกัลยะาณมิตรคือให้ข้อมูลให้ประสบการณ์ บอกพิธีการชัดแจ้งทําหน้าที่จนนี้หน้าที่ของโยมผู้ปฏิบัติก็คือต้องมีโยนิโสมนสิการคือเอาไปทําให้เข้าใจทําให้ถูกทําให้ชัดเจนเมื่อเอาไปทําแล้วเนื่องจากว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเรามันไม่ถูกไม่ต้องไม่ชัดเจนเราก็กลับมาหาการยานมตรใหม่เออตรงนี้หลวงพ่อเป็นยังไงฉันเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมต้องขยันที่จะถามหน่อยอย่างพระจีนก็ไม่ชีจีนะมาถามทุกทุกวันนะ แต่ไปไหวมากนะเข้าใจแล้วเห็นไหมแต่คนไทยของเรานั้นเราไม่มีนิสัยทางด้านนี้นิสัยการไม่เรียนรู้ไม่สู้สิ่งยากอันนี้คือนิสัยของคนไทยแต่โลกสมัยใหม่เนี่ยต้องมีคุณธรรมสองประการนี้คือเรียนรู้สู้สิ่งยากหมายความว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะให้เรียนรู้เรียนรู้แต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ก็เรียนรู้จากกเรยนนมิตรคือครูบาอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนก็คือถามสุจิปุริอย่างที่กล่าววันก่อน นะเสร็จแล้วรู้สิ่งยากเรียนเรียนรู้สู้สิ่งยากอะไรก็ตามมันยากแล้วอย่าไปถอยต้องเรียนรู้ต้องศึกษาไปแต่คนเราเอเชียส่วนใหญ่เพราะยากไปท า, าไปหน้าที่ของเลขาฉันมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวคุณไปทามาก็แล้วกันแต่ลูกน้องมันบิดเบี้ยวโกงแซกซ้อนหมกเม็ดตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้เรื่องเลยทียนี้ระบบการโกง c o l l ั b o r a t i o n เกิด ข, ขึ้นมากมายอันนี้เป็นที่มาไม่เรียนรู้ไม่สู้สิ่งยากใช่ไหมเห็นไหมเห็นปัญหาไหม แล้วก็เราก็ประเทศชาติแทบจะไม่รอดก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะไม่มีนิสยยัยในการเรียนรู้ถ้ามาไม่ไปอยู่ทางยุโรปทางอเมริกามาก็จะไม่มีนิสัยอย่างนี้เหมือนกันแต่นิสัยเพิ่งเปลี่ยนไปเขาชอบเรียนรู้สู้สิ่งยากยิ่งยากแล้วก็ยิ่งท้าทายยิ่สนุกนะแต่ยากเมื่อก่อนไม่ยากอเมาก็เหมือนคนไทยทั่วไปยากเอาไปทำเหมือนฉันเขาทําง่ายๆก็แล้วกันของง่ายๆก็ราคาถูกใช่ไหมแต่ของยากๆเป็นไง ราคาแพงชีวิตของเราจะมีราคาหรือไม่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เรียนรู้สู้สิ่งยากเนี่ยเจ้าคุณประยุทธ์ท่านให้คำจำกัดความนิสัยคนไทยเอาไว้ว่าคนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะดังนั้นเองในการกล่าวตอนเช้านี้เป็นประเด็นทั่วๆวไปไม่เจาะเฉพาะเพราะว่าเราพื้นฐานยังไม่พอที่จะเจาะไปตรงนั้น ก็ให้เข้าใจโดยทั่วไปให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเอาไปทำให้มันถูกนะแล้วถ้ามันถูกต้องตามที่เราเข้าใจที่ให้มานี่ก็คิดว่าปลอดภยัยอย่างไรก็ตามมีอะไรเกิดขึ้นที่เราแก้ไม่ได้ไขไม่ตกมาถามทั้งตาอย่าไปเก็บกดเอาไว้มันจะเกิดปัญหา r e p t i o n r e p e t i o n เก็บกดแล้วมันจะเกิดปัญหาทีหลังนะทุกอย่างต้องโปร่งใสต้องชัดเจนอยู่เสมอ ในตัวเราเนะอย่าสงสัยแต่สงสัยก็คือสงสัยในเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามเท่านั้นนะให้สงสัยว่าไอ้ฉันจะไปลงทุนเรื่องนี้ว่าไงรงตาจะทํากําไรไหมเนี่ยหุ้นตัวนี้ดีไหมเนี่ยแล้ววันี้จะออกอะไรเนี่ยอย่าไปสงสัยเรื่องนี้ทีเดียวมีแบงค์ลงตาได้เช่งเอาแน่แนเพราะฉะนั้นตรงช้านี้น่าจะหมดเวลาแล้วเนาะก็พยายามนะให้เอา ตัวเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงในทุกจุดให้เป็นที่ตั้งของการรู้ตัวเป็นที่ตั้งของการตามรู้ต่เคลื่อนไหวให้แต่จะตามรู้ทุกจุดเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่ตามรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามกำลังสติปัญญาของเราเข้าใจนะเขาขออนุมโมทนาสาธุด้วยความตั้งใจของพวกเราทั้งหลาย ที่จะนำไปวิวัติพัฒนาตนเองให้เกิดสติสมาธิปัญญาญาณธานชัชนะจนกระทั่งทำให้ความไม่ทุกข์ปรากฏขึ้นในกายในใจของตัวเองด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ